พุทโธสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะสังมนีสนทนารายการนี้มาพบกับท่านอีกแล้วนะคะทางสถานีวิทยุสทรอยเอเรอยหครอบครัวข่าวเราพบกันที่มีดิฉันด้วยเนี่ยก็เฉพาะวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์ที่ว่าบอกว่ามีด้วยเนี่ยเพราะว่าโดยหลักจะมีพระมหาภัยบูลอภิปุนโนนะคะที่ท่านยืนพื้น ให้ธรรมะกับท่านฟังทั้งหลายกันมาตั้งแต่ตอนต้นสัปดาห์จนถึงสุขเป็นเวลาที่จะมาพบกันตอนนี้เขาก็ให้เวลาเพิ่มขึ้นเป็นวันละประมาณอสามสิบห้านาทีนะคะเราไปก ร, ราบนรัสานท่านพิบูนกันเลยค่ะน้องตระการกันท่านคะยามบานค่ะวันนี้ก็เข้าใจว่าคงเป็นวันที่เริ่มต้นกลับมาทำงานกันเกือบหมดแล้วละ่ะแต่ก็อาจจะมีบางท่านที่ยัง ต่อหน่อยนิดนึงอาจจะไปยาวเลยนะคะถึงกลับมาอีกทีหนึ่งวันจันทร์หน้าอืเพราะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นวันหยุดยาวและอย่างเมืองไทยร้อนนะคะท่านคะ <c oughs> บางคนก็เลยพอมีสตางก็จะบอกว่าหนีร้อนไปพึ่งเย็นหนีหนีร้อนเหมือนฝรั่งเขาหนีหนาวมาหาควาอมอบอุ่นนะคะ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าหนีไปหนีมาโอ้โหเสียสตุง้งสตางทั้งเยอะดิฉันก็หนีไปนะคะก่อนหน้าเนี้ยอ <c oughs> พอกลับมามันก็ร้อนเหมือนเดิมสำสหรับพระสงฆ์เองก็ไม่ได้เป็นวันหยุดนะพระนี่ก็ไม่ได้มีวันหยุดเลยเป็นช่วงยิ่งยิงช่วงเทศกาลนี่คนยิ่งมาวัดเยอะยิ่งต้องต้องไปต้อนรับต้องไปพบปะพูดคุยเจอะเจอพระนี่ก็ไม่ได้หยุดกับเขาล่ะค่ะสำสำหรับพระสงฆ์เองไม่มีวันหยุดถูกไหมคะวันพระยิ่ว่าพระจะได้หยุดแต่ก็ไม่ได้หยุดดีกว่าก็พระสงฆ์สามารถประกาศอย่างนี้ได้ไหมคะว่า เวันนี้อัตมาไม่รับนิมนต์ได้ไหมคะที่ฉันถามเป็นความรู้ก็หลีกเล่นไปเลยคือพระท่านก็ไปที่อื่นเลยแต่คือพระเนี่ยจริงๆเราก็เป็นผู้ที่เบาอยู่แล้วเบาเนี่ยคือหมายถึงว่าเบาด้วยบริการสันโนด้วยบริการต่างๆใช่ไหมจะบอกว่าจัดแจงการงานอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วคุณก็หลีกไปได้เลยไปอาจจะไปอยู่วิเวกสักที่ใดที่หนึ่งไม่มีใครรู้สามวันเจ็วันสิบวันก็ค่อยว่าไปอ๋อค่ะแต่ทีนี้บังเอิญนะคะท่านคะสมมติเกิดท่านตั้งใจละปลีกวิเวก แล้วท่านก็คิดว่าที่นั้นวิเวกจริงๆด้วยนะแต่เกิดมีคนเขาล่วงรู้แล้วก็ต้องนิมนต์ท่านอย่างเงี้ยก็ไปถึงเลยท่านไปบูรยังไงก็ต้องนิมนต์ท่านนะคะอย่างนั้นอย่างงี้ท่านปฏิเสธได้ปฏิเสธได้ปฏิเสธได้ไดค่ะมันจะมีศีลข้อหนึ่งของพระจะว่าเป็นศีลก็ไม่ใช่เป็นข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าให้ให้ทำํำกับคารวาสก็คือให้อนุเคราะห์ด้วยใจอัน ง, งามแต่พระสงฆ์เนี่ยจะมีอยู่หกหน้าที่ที่มีต่อคารวาส น้าที่นะอะไรบ้างคะหนึ่งในนั้นก็คือให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง <Okay. S 1> สองทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งนะสามห้ามเสียจากบาปสี่ให้ตั้งอยู่ในความดีนะห้าชี้ทางสวรรค์ให้แล้วก็ข้อที่หกเนี่ยคืออนุเคราะห์ด้วยใจอันงามนะนี่คือข้อที่หกเพราะฉะนั้นก็อยู่ในห้าหกข้อเนี้ยก็ก็ทําก็แล้วกันอย่างนี้เป็นต้นนะอืมค่ะ คือทฉันก็อยากทราบเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะหรือว่าพระสงฆ์เนี่ยต้องแบบไม่ได้เลยห้ามเซโนต้องเยสอย่างเดียวเม่ตา อ, อย่างไม่มีประมาณโน <No, S 2> ได้ no ได้โดยฉเฉพาะยิง่งถ้าบอกว่ามันเป็นที่ที่จะไม่ควรไปหรือว่าคนที่นิมนต์นี้เป็นคนที่ไม่มีศรัทธาเราปฏิเสธได้ท่านคะถ้าสมมุติว่าที่ที่ไม่ควรไปเนี่ยคือที่ใดบ้างคะอ่าเช่นเช่นที่ที่มันเป็นตรอกซอกซอยในเวลากลางคืน อันนี้ควรหลีกเลี่ยงอยู่แล้วออสองซ่องโซปินีอบ้านของสาวเถื้อหรือบ้านของสาวไม้อันนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงอแปลว่าสาวเถื้อสาวม้ายมอันตรายนะค ะ, ะก็มีมีความเสี่ยง <Okay. S 1> มีความเสี่ยงสูงกว่าอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นคือก็ต้องดูจังหวะโอกาสให้เหมาะสมถ้าไปกันหลายๆรูปแล้วก็มีอมีการจัดแจงที่มันถูกต้องตามหลักธรรมวินัยอันนี้ก็ไปได้ก็เท่ากับว่า ถึงแม้จะมาอ้างว่าอานิมนต์ไปแสดงธรรมให้กับพวกอ่านักเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยก็ไปไม่ได้ไม่เหมาะใช่เพราะว่าคนเที่ยวกลางคืนเขาจะมาฟังธรรมเนี่ยก็คงจะไม่ใช่แหละแล้วก็คง<บ>จะต้องดูที่ที่มันเหมาะสมด้วยแต่บางทีคน<ม>คิดกิจกรรมก็อาจะคิดไปถึงได้นดิฉัน<ม>ก็ถามไปอย่างนั้นล่ะนะคะแต่คิดว่ามันเป็นไปได้ในโลกใบเนี้ยคนทําอะไรแปลก ๆ, ๆเยอะไปหมดนะคะใช่ใ่ค่ะ ใ น, นในส่วนหน้าที่ของพระสงฆ์ที่พูดถึงหกอย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นะตอนนี้ในรายการสันสนิทสนตนาก็คือให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทําสิ่งที่ได้ฟังให้เฉลิแจงอันนี้เราทําอยู่เป็นหลักอยู่แล้วตัวตมาเองอนะะจากรายการตั้งแต่วันจันทร์มาเนี่ยบางทีก็เอาเรื่องราวนิทานตรงนั้นเรื่องในชาดกเรื่องในพระสูตรมาให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วก็อธิบายให้ฟังอันนี้เป็นหลักที่ทําอยู่ค่ะท่านคะ วันนี้ที่ฉันจะถามเรื่อง พ, พื้นมากเลยนะคะคือเรื่องการกินการอยู่ยบบเห็นเขาเตือนกันมากเลยเกี่ยวกับสุขภาพเมื่อดู ก, การเปลี่ยนคือในโลกที่การสื่อสารมันง่ายเข้าเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลข่าวสารเยอะนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนก็จมีเตือนว่าให้รับประทานแต่อาหารที่สุกแล้วเป็นต้นนะคะหรื อ, อรับประทานอาหารที่ ไม่ไม่ได้เก็บไว้นานนะคะอาหารบูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจะเสี่ยงกับโรคท้องเสียในเรื่องการรับประทานอยากจะขอธรรมะที่ทานแล้วไม่ปลอดภัยด้วยได้บุญด้วยอย่างเงี้ยค่ะอ๋อพระพุทธเจ้าแนะนำเ อ, เอาเรื่องของอาทางข้างนอกก่อนดีกว่านะทางข้างนอก<ช>ก่อนถ้าในกรณีของพระสงฆ์เนี่ยพระพุทธเจ้าให้หลีกเลี่ยงเนื้อดิบเนื้อสัตว์ที่ดิบอันนี้ให้หลีกเลี่ยง หลีกเลี้ยงเนื้อสัตว์ที่มีการฆ่าเฉพาะเจาะ จ, จงสมมุติว่าสัตว์พวกนี้เลี้ยงมาเพื่อฆ่าโดยเฉพาะนปะระสงค์ทราบแล้วก็ควรหลีกเลี้ยงที่จะกินสัตว์พวกนั้นอไม่มไม่ใช่ต้องไปชี้ที่ตู้นะคะอันนั้นก็ควรีวเลี้ยง<ข>ด้วยเขาทําฟาร์มเพื่อจะให้คนรับประทานอันนี้ก็ควรเลี้ยงใช่เพราะว่าอันนี้มันมันเลี้ยงมาเพื่อฆ่าโดยเฉพาะอนะเจาะจงเลยอะ่ะว่าไอเป็ดเล้านี้นะฉันฟักมันมาเพื่อที่จะฆ่ามันนะถ้าถ้าทราบ ก็จะต้องหลีกเลี่ยงแต่หลีกเลี่ยง ก, ก็คือไม่กินนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าการตายของของสิ่งมีชีวิตตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรก็ตามนะมันไม่ได้ยินดีตายนะไม่ได้หมดอายุตายนะคือถ้าไม่ได้ยินดีตายไม่ได้หมดอายุตายฮอร์โมนอะไรตา่างๆมันก็อาจจะผิดปะกะติในร่างกายของเขาอันนี้เป็นพิษแน่นอน mm. นะอันนี้ก็คือส่วนที่บอกไว้แล้วก็พวกเนื้อสัตว์ประหลาดๆเช่นเนื้องูเนื้อหมาเนื้อเสือก็จะมีเนื้ออยู่10อย่างที่ต่อให้ ตายเองนะยินดีตายแล้วจะเอาเนื้อมากินก็กินไม่ได้ก็ห้ามเอาไว <Okay. S 1> นะ้นี่คือทางด้านภายนอกในะด้านภายนอก <Okay. S 1> แล้วก็ถ้าด้านภายในก่อนการรับประทานนี่ต้องพิจารณาก่อนนะศัพที่พระบุเจ้าใช้คือให้ปฏิสังขารโยในการทำโยนิโสมนศิการในการทำในใจโดยแยบคายแล้วจึงค่อยรับประทานในรดับแรกก็คือว่าไม่ได้กินเพื่อเล่นไม่ได้กินเพื่อมัวเมา ไม่ได้กินเพื่อประดับเพื่อตกแต่ง แ, แต่ว่ากินเพื่อให้ร่างกายนี้ตั้งอยู่ได้แเพื่อให้ ร, ระงับเวทนาเกา่าเพื่อไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นแพอเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยการรับประทานอาหารตรงนั้นนจะเป็นไปด้วยสติอย่างมาก <'Kay. S 1> จะไม่ได้มาคิดว่าจะต้องกินเพื่ออร่อยละ่ะแต่กินเพื่อให้ร่างกายตั้งอยู่ได้เพื่อให้ระงับเวทนาเกา่าเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้กินจนอิ่มเกินไปแถ้ากินจนอิ่มเกินไปก็จะมีเวทนาใหม่เกิดขึ้นก็ก็ไม่ดีไม่ถูกอีก แล้วในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้ากินอิ่มเกินไปใช่ป่ะท้องเรามันแน่นมากนะการประสิทธิภาพในการย่อยก็จะต่ําลงเพราะว่าพวกเวลาย่อยแล้วมันก็จะเกิดแก๊สเกิดอะไรใช่ไหม <Okay. S 1> พอมันเกิดแก๊สแล้วประสิทธิภาพในการย่อยเนี่ยถ้ามันแก๊สมันไม่ไปไหลไปรวมที่1เนี่ยมันยังมาปนอยู่ในเนื้ออาหารมันก็จะทําให้ย่อยยากขึ้นอีกนะขัด <Okay. S 1> ขวางการทํางานของพวกจุลินทรีย์เพราะนั้นการที่กินแล้วให้เหลือช่องว่างในท้องอยู่นิดนึงเนี่ยเพื่อให้อากาศมันไปรวมกันตรงนั้น จะทำให้ประสิทธิภาพในการย่อยของเราเนี่ยมันดีขึ้นค่ะเหมันจะต้องกินแล้วให้มีช่องว่างเหลืออยู่ในท้องนิดหนึ่งซึ่งอันนี้ก็จะสอดคล้องกับบุคคลผู้ที่มุ่งประพฤติกระทําอานาปานนสติแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่ยินดีในความมีท้องอันพร่องอยู่แล้วเนี่ยจะทําให้การปฏิบัติของเขาก้าวหน้าขึ้นได้มันจะเกี่ยวข้องกันตรงนี้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของสมอะใช่คือคือแล้วเราสามารถเรามาใช้ได้ถูกต้องถูกต้องโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของทางใจนะ ว่าการพิจารณาอย่างไรแล้วจึงบริโภคเอาเรื่องของเนื้อสัตว์บางทีคุณไปไปตามอำนาจปากท้องไปตามอํานาจลิ้นตามอานาจปากก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยใจเนี่ยเราตั้งสติไว้ยอย่างนี้ในะการกินนั้นก็จะไม่มีโทษในกะกินแล้วก็กินแต่พอดีนะไม่มากเกินไปก็จะทําให้การย่อยนั้นมีประสิทธิภาพอาหารก็ไม่เป็นพิษได้นะค่ะพูดถึงเรื่องของเลี้ยงเนื้อดิบเนี่ย พระพธองได้บัญญัติว่าเป็นเรื่องแรกเลยนะคะอันนี้มาด้วยการคือมีเหตุแห่งการบัญญัติ ค, คือพระเนี่ยไปกินเนื้อดิบแต่คนเขาก็เห็นแล้วก็ติเตียนก็เลยค่อยๆเป็นทีละข้อลําดับลําดับไปท่านคะทีนี้ฉันอยากเรียนถามว่าในกรณีที่ออย่างพักเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีอาหารประจําถิ่นใช่ไหมคะมเขาเรียกอะไรก็ไม่ทราบอ่ะที่เป็นเหมือนกระลาบเนื้อดิบอย่างเงี้ยก้อยพวกที่มันยังแดงๆอยู่นะ ค่ะคือเหมือนว่าเอาเนื้อดิบมาสับๆๆๆอย่างเงี้ยเลยไพศานก็รู้สึกจะมีเหมือนกันการรับประทานดิบๆอย่างเงี้ยแล้วเกิดโยมพวก็ไม่รู้น่ะบ้านนี้ทําอร่อยมากเลยตั้งใจตั้งใจอยากจะให้พระสงฆ์ที่เรานับถือเนี่ยได้ฉันอาหารรสเลิศอย่างเงี้ยเอามาถวายนะคะอืออก็ต้องทําให้สุกก่อนอ๋อยังไงก็ไม่ฉันใช่ไหมคะก็พระเนี่ยจะต้องเป็นคนบอกให้เขาเอาไปทําให้สุกอ่หรือถ้าบอกว่าคือคือของอันนั้นเนี่ยก็จะเรียกว่ายังไม่ เหมาะสมแต่ยังไม่เหมาะสมแก่การที่สัมนจะบริโภคแล้สัมนา จ, จะทำยังไงก็ให้ผู้ที่ทําการแทนสงฆ์หรืออาจจะเป็นใครก็ได้แหละที่ให้ที่เขารู้เขาสามารถในการที่จะทำให้มันเหมาะสมกับการรับประทานของภิกษนะุตรงเนี้ยสัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือทำกัปปิยะนะซึ่งบางคนอาจจะเคยได้ยินอยู่นะพระจะถามว่ากัปอยอยกปิยะหรือยังกัปปิยนะหรือยังก็คือมันเหมาะสมที่พระจะกินได้หรือยังหรือเหมาะสมที่พระจะใช้ได้หรือยัง กระบวนการตรงนี้บางคนอาจจะเห็นด้วยซ้ำนะว่าเวลาที่เขาจะเอาผลไม้ไปถวายพระอย่างเงี้ยพระก็จะถามว่ากับพิยะแต่เขาก็จะบอกว่ากับพิยะกับพิยางพันเตนั่นก็คืออันเนี้ยเหมาะสมแล้วแก่ท่านจะบริโภคได้โดยใช้คําพูดว่ากับพิยางพันเตกับพิยางพันเตใช่พันเตก็คือท่านผู้เจริญใช่ไหมกับพิยางก็คืออันเนี้ยเหมาะสมแก่การใช้งานแล้วการบริโภคแล้วเราก็เอามือหรือเอาซ่อมเนี่ยจิ้มลงใบบนผลไม้นะหรือบีบมันออก หรือปลิ้เมล็ดมันออกอย่างเงี้ยก็ ค, ค, คือเหมาะสมละกับการที่<ช>สมณะเจริโภพกขอละเอียดนิดนึงได้ไหมค ะ, ะว่าอบางคนจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะได้ยินท่านพูดถึงเรื่องผลไม้ต้องทําให้เหมาะสมด้วยผลไม้ส่วนใหญ่เราก็เชื่อว่าดีอยู่แล้วจะต้องไปทําอะไรอีกล่ะค ะ, ะแล้วทํำทำไมเช่เนเนื้อเนื้อดิบที่คุณยมติวเปิดประเด็นมาเมื่อสักครู่ใช่ไหมอันนี้มันยังไม่กับพิยะมันยังไม่เหมาะสมก็ไปทําให้มันสุกก่อนกระบวนการการทำให้สุกตัวนี้คนที่ทําก็เรียกว่า พูดที่ทำกัปยะนะเขอันนี้กัปยะแล้วนะ น, นี่คือสาหรับพวกเนื้อสัตว <Okay. S 1> นะ์นที่ที่มันดิบมาแล้วถ้าเป็นอย่างอื่นที่มันยังไม่เหมาะสม อ, อ่เช่นผลไม้ที่มันยังโตได้ที่มันมีเมล็ดเนี่ยถ้าเราไปทำลายเมล็ดนะก็จะมีศีลของข้อหนึ่งของพระเหมือนกันนะที่ไม่เอาพวกเมล็ดไปปลูกหรือว่าไม่ทำให้ต้นไม้มั น, ม, นมันเสียนะเพราะฉะนั้นก็คือให้มันตายก่อนนะหรือพืชบางอย่างที่มันไปโตได้ เขาก็ต้องทําแบบกระบวนการที่บรเจ้าให้ทําคือใช้ซ่อมจิ้มหรือเอามีตาดตัดหรือเอาเมล็ดมันออกนวชื่อว่าการทําเหมาะสมละสําหรับที่สมานาจะ บ, บริโภคอ๋อเท่ากับว่าถ้าผลมาไม้ใดอนําเอาไปปลูกแล้วงอกได้มีม า, มาถวายอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดใช่ไหะต้องทำให้ถูกต้องต้องทําให้ถูกต้องต้องํากับปิยะก่อนสมมุติว่าดิฉันจะถวายมะพร้าวมะพร้าวท่านอ่าต้องปอกเปลือกออกก่อนค่ะ บีไอตรงเปลือกให้มันให้มันแตกให้หมดก่อนแล้วก็เปิดมาถวายอย่างนี้ได้อยู่มังคุดก็ต้องทำเช่นเดียวกันใช่เขาจะต้องมีการปาดออกส่วนหนึ่งปาดส่วนที่เป็นเปลือก บ, บางส่วนออกเห็นแล้วก็คือเอาอันนี้เหมาะสมแล้วรับประทานได้เพราะมันจะไม่ไปงอกที่ไหนละ<ช>เราจัดการมาเรียบร้อยแล<ช>้วก็เลยถวายประสงค์ได้<ม>อันนี้ที่ต้องถามเพื่จะได้เป็นหลักเนี่คะไม่งั้นถ้าพูดจบอ่าระบุไปแต่ละอย่างยาย่อย่างอยางยามัาาทีนึกไม่ออกอันนี้เขาเรียกว่าอ่าการทํากัปปิยะ แล้วบุคคลที่ทําตรงนี้เขาเรียกว่ากัปิยาการโรคท่านคะงั้นเอาง่ายๆอย่างเอาส้มไปถวายอย่างเงี้ยบางคนก็โอ้ส้มทั้งลูกมันสวยใช่ไหมใช่ถวายพระไปอย่างนั้นเพรเดี๋ยวพระจะได้แกะเอ้ให้แกะไปก่อนใ น, นมันนะไม่น่ารับประทานโอเคไม่มีปัญหาคุณก็ถวายอย่างนั้นแหละแต่ถวายทั้งลูกที่มันกลมๆ ส, สวยๆเกลี้ยงๆนี่แหนะให้ใท่านเห็นก่อนใช่ไหมแล้วในขณะที่ท่านรับไปเนี่ยหรือว่าจังหวะที่เห็นแล้วแล้วกําลังจะรับกันจ่อๆอยู่เนี่ยคุณบีบออก แล้วบอกอกับปียังพันเตอันนี้กับปียาแล้วค่ะแล้วก็อ๋อก็รับทราบว่าสภาพมันสวยงามดีแล้วแล้วก็บีบให้เห็นเลยว่าเอา้ยมันปบีบเปลือกแล้วนะมันมันเหมาะสมแล้วนะอันนี้คือท่านก็รับทราบล่ะ<อ>ก็สบายใจทั้งสองฝ่ายสําหรับที่วัดบางที่ ที่ให้คนไปถวายอาหารพร้อมๆกันโดยเฉพาะถ้าในวันที่เป็นวันทางศาสนาอืมบางทีคนมาเนี่ยเขไม่ใช่คนเข้าใจเรื่องพวกนี้มากนะแต่อยากมาทําบุญนะคะด้วยใจศรัทธามากเลยอืมเอาไปวางโอ้โหส้มมึงนอกเลยนะคะอ่าเอาไปวางไว้กับอาหารของคนอื่นๆในเต็นโต๊ะไปหมดก็ไม่ได้กลับปียากกับใครอะถวายพระแล้วแล้วการกลับบ้านมากกว่าพระจะฉันเออถ้าถ้ า, ถาตรงนั้นในในกรณีนั้นเนี่ย ถ้าถ้ารับมาแล้วแล้วไม่ได้มีการทํากับมียะอันนี้ต้องระวังในการรับประทานว่าอย ney, ่าไปทําเม็ดให้มันแตกก็แล้วกันอย่าไปทําเม็ดให้มันแตกอย่าไปทำเอ่อเอาไปปลูกไม่หรือว่าอย่าไปทําให้มันกําเริบขึ้นอันนี้คือการรับประทานนั้นก็ต้องระวังสําหรับประสงค์รูปนั้นคือรับประทานได้อยู่สําหรับในกรณีผลไม้นะ่ะก็ระวังเอาอ๋อค่ะเอ่อไม่ไม่ได้มีคนคอยทํากับมียะแทนเราได้งั้นได้ได้ได้ ค่ะนะคะนี่ก็เป็นเรื่องการรับประทานซึ่งที่ท่านฟังจากท่านเนี่ยเรคิดว่าเป็นประโยชน์กับคราวาสได้ด้วยนะคะใช่อันนี้คือหมายความว่าให้เราละเอียดรอบคอบนะคือ<ช>ไม่ใช่ว่าเห็นแก่ปากแก่ท้องเจออะไรก็จับใส่จับใส่แต่ให้คิดท่ามันรอบคอบมีการพิจารณาก่อนนี้นนเป็นขั้นตอนที่บริจาค ส, สนับสนุนให้ทําอยู่ะนะคะแล้วยิ่งถ้าเป็นลงรายละเอียดว่าไม่ให้ทานสัตว์ประหลาดประหลาดไม่ให้ทานเนื้อสัตว์ที่ดิบอะไรอย่างเงี้ยดิฉันเข้าใจว่า มีเหตุผลในเรื่องของทุกโทษเมื่อรับประทานเข้าไปอย่างชัดเจนทีเดียวใช่อันนี้คือในเรื่องของการรับประทานอาหารค่ะอเออก็เลยทำให้คิดต่อถึงคนที่เขาคิดเลิกรับประทานเนื้อสัตว์เนี่ยอพอฟังในส่วนที่ท่านบอกว่าไม่ฉันของที่เขาฆ่ามาเฉพาะเจาะจงใช่หรือว่าเลี้ยงมาเพื่อฆ่าโดยเฉพาะ เพราะว่าสัตว์พวกนั้นไม่ได้ยินดีในการตายแล้วก็ยังไม่ได้หมดอายุเนี่ยยังไม่ได้ตายเองใช่ค่ะเท่ากับว่าจริงๆแล้วการบริโภคเนื้อสัตว์ในหลักทางพระพุทธศาสนาเนี่ยที่ท่านมุ่งเน้นไปที่สาวกคือพระสงฆ์ของพระพุทธองค์การรับประทานอาหารเนื้อสัตว์จริงๆแล้วรับประทานได้ได้เนื้อสัตว์ น, ะะนั้นอ่าถ้าถ้าเนื้อสัตว์บริสุทธิ์ด้วยสามส่วน นีก็อย่างที่ว่าว่าไม่ได้ฆ่าเฉพาะเจาะจงนีไม่ได้เห็นว่าเขาฆ่าไม่ได้ได้ยินว่าเขาฆ่านีคือถ้าเห็นว่าเขาฆ่าแล้วก็ได้ยินว่าเขาฆ่าแล้วก็สงสัยว่าเขาฆ่าสามอย่างเนี้ยเนื้อสัตว์นั้นน่ยไม่บริสุทธิ์นะเพราะนั้นเนื้อสัตว์ประเภทไหนที่บริสุทธิ์หลัะก็คือไม่ได้เห็นไม่ได้สงสัยแล้วก็ไม่ได้ได้ยินว่าเขาฆ่าเฉพาะเจาะจงเพื่อเราะล้วมันจะตกอะไรได้บ้างล่ะก็คือสัตว์นั้นตายเอง สัตว์น<ะ>ั้นตายเองแล้วคุณก็ไปเอาเนื้อมันมากินเอออย่างนี้กินได้อยู่ซึ่งเดี๋ยวนี้หาย า, ยากนะคะท่านคะเพราะว่าเขามีอุตสาหกรร ม, มโรงฆ่าสัตว์ฆ่าทีตายเป็นเบือะคะ่ะอืมอืมอสงสัยต่อไปนีประสงค์คงจะฉันเนื้อสัตว์ลําบากคือคือคืออันนี้เนี่นะต้องทําความก็จเป็นขั้นเป็นตอนกันคุณยมติดว่าจุดประสงค์ที่พระพุทเจ้าอธิบายเรื่องนี้ก็คือเพื่อการไม่เบียดเบียนอข้าใจไหมคืออุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าเนี่ยมันเบียดเบียนสัตว์แน่นอน แล้วมันก็จะมาตกลงกันถือ ว, ว่าถ้าคุณค้าขายพวกอาวุธมันก็ควรหลีกเลี่ยงอยู่แล้วอ่ะค้าขายเนื้อค้าขายเนื้อสัตว์ก็ควรหลีกเลี่ยงอยู่แล้วค้าขายสัตว์เป็นก็ควรหลีกเลี่ยงอยู่แล้วเนีเป็นอาชีพที่ควรหลีกเลี่ยงแล้วการค้าขาย5้าอย่างนเนี่นะเนื้อสัตว์สัตว์เป็นอาวุธยาพิษแล้วก็สุราพวกนี้เป็นอาชีพที่ควรหลีกเลี่ยงอยู่แล้วซึ่งมันก็จะสอดคล้องกันกันว่าเฮ้ยตรงที่มันฆ่าการฆ่าก็ผิดศีล อ, อีก ดัง น, นั้นการฆ่ายอยู่ตรงไหนอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับตรงนั้นมันควรจะหลีกเลี่ยงอยู่ละดังนะนั้นพระสงค์ที่จะไปเกี่ยวข้องกับพวกนี้มันก็จะแบบมันจะบิดเบี้ยวเบี้ยวจากคําสอนนิดนึง่งนะถ้าจะให้ตรงๆงกับคําสอนก็ให้เป็นตามกระบวนการทั้งหมดนะทั้งเรื่องการเบียดเบียนตัวมันก่อนนะก่อนที่จะเกิดขึ้นนะเช่นสัตว์เป็นก็อย่าทำใช่ไหมหลีกเลี่ยงไปเนะบียดเบียนหลังจากในระหว่างการที่ฆ่าอาวุธเราก็อย่าไปเกี่ยวข้อง เบียดเบียนหลังจากการที่ฆ่าเช่นเป็นเนื้อสัตว์มาหรือเป็นการค้าขายเนื้อสัตว์เราก็อย่าไปเกี่ยวข้องแ้่มันก็จะบริสุทธิ์โดยโดยทุกประการเลยจะดีมากเนี่ยเพื่อมีการไม่เบียดเบียนเป็นอนิสงส์ค่ะเท่ากับว่าประเด็นอยู่ที่การเปลี่ยนเปียนใช่เราก็พิจารณาดูว่าการรับประทานของเราเนี่ยเป็นการเบียดเบียนชีวิตอื่นหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งถูกต้องนะคะส่วนเรื่องที่สองก็เบียดเบียนตนหรือเปล่าถูกไหมคะ ที่ว่าต้องเลือกอาหารที่สะอาดรับประทานาปลอภ อ, อย่างไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพความเป็นอยู่ใช่ไหมเนื้อสัตว์มากเกินไปก็ไม่ดีอยู่ละแล้วอาจจะมีคนแย้งว่าเอา้าเราทาไม่กินเนื้อสัตว์จะเอาโปรโตีนได้จากไหนแต่โปรโตีนจากผู้ย่มีเยอะแยะนะคะอ้ก็เข้าใจว่าอันนี้เอามาประยุกใช้ กับการที่เราจะระมัดระวังสุขภาพที่คุณหมอทั้งหลายออกมาเตือนในรายละเอียดระบุไปเลยว่าอาหารต้องเป็นอย่างโน้นอย่างนี้แล้วรับประทานไม่ได้แต่นี่ให้เป็นหลกัหลกๆไว้เลยในการพิจารณาใช่ใชนะคะแล้วก็ในการพิจารณาในส่วนที่รู้จักประมาณในการบริโภคมีสติตก็จะทําให้ป่วยลําบากนะคะป่วยยากก็ไม่ระมัดระวังไว้อย่นั้นแต่แล้วก็อย่างที่บอกว่า และประทานแต่พอประมาณใช่ไหมคะใช่เพื่อ<ต>ที่จะได้ทำให้ระบบของอ่ะการย่อยอาหา ร, ารทางาวิทยาศาสตร์ดีขึ้นด้วยมีประสิทธิภาพตัวนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าเป็นผู้ยินดีในความมีท้องอันพร่องอยู่เสมอค่ะก็ได้ธรรมะไปด้วยเพราะว่าในกรณีที่จะเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเนี่ยหลักการทั้งหลายเหล่านี้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้บวชเป็นพระนะคะก็เป็นหลักการมาตรฐานสาหรับผู้ที่ จะปฏิบัติเพื่อให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในการที่จะมีความทุกข์น้อยลงเบบันอีกเรื่องหนึ่งค่ะ mm hmm. ท่านคะพอพูดถึงเรื่องของการเบียดเบียนตนบางคนเนี่ยรู้กับรู้ว่าอาหารพวกนี้ไม่ดีแต่ก็ยังรับประทานเพราะมันอร่อยสมมุตินะคะ <laughs> บางคนเนี่ยที่ฉันดูข่าวก็มีข่าวแปลกๆก็ถ่ายภาพตัวเองขนาดทานอาหารมูมามเนี่ยโพสต์คลิป แล้วก็มีคนซื้อคลิปผู้นี้ไปดูด้วยอ๋ออันนี้อันนี้เป็นเรื่องของโลกแปลกๆคงไม่มีคนทั่วไปทําแต่ว่าถ้าคนทั่วไปทำก็คือว่าก็รู้ว่ามันไม่ดีขอค อ, อีกหน่อยนะมันอร่อยอย่างเงี้ยนะคะใช่บางอย่างอันนี้ไม่รู้เลยว่าอทําไปแล้วเนี่ยมันเบียดเบียนถึงขนาดตัวเองตายใช่คือรู้สึกว่ามันทนไม่ได้อะตายเป็นตายช่างมันเถอะคนที่อยู่ข้างหลังพ่อแม่ คนรักจะมีความทุกข์ยังไงก็ฆ่าตัวตายอย่างเงี้ย ม, มีข่าวขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยๆสาเหตุนี่ก็ต่างๆนานา น, า น, นะคะถ้าเหตุพื้นๆจะเป็นเรื่องของความรักไม่สมหวังเหตุรองลงมาก็เป็นเรื่องเป็นโรคร้ายอืมตายดีกว่าบางทีตายใเด็กๆที่ฉันเห็นข่าวหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงสวยใช่ไหคะเป็นข้อดังหมอเขาก็ไปวินิจฉัยว่าเป็นโรคเกี่ยวกับคล้ายๆเหมือน เหมือนพัฒนาการบกพร่องคล้ายคลออทิสติกอะไรอย่างเงี้ยเด็กนี่เรียนเก่งด้วยนะคะแต่สุดท้ายก็ฆ่าตัวตายนาตาดีดีอืมทีนี้ในในเรื่องของการฆ่าตัวตายนะคือ ค, คือเหตุอย่างที่คุณโยมติพูดถึงว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่คือเป็นเรื่องทางเกี่ยวกับความรักเรื่องชู้สาวใช่ไหมเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับไม่สมหวังอย่างใดอย่างหนึ่งธุรกิจก็ตามอะไรก็ตามฆ่าตัวตายเนี่ย นะการตายตรงนั้นนะถ้าสมมติเขาตายไปจริงๆนะปบารอบเหตนะุพวกนี้มันคือเหตุเรื่องของราคาโทสโมหะบารอบเหตุเรื่องของกิเลสบารอบเหตุเรื่องของกามแล้วคุณตายด้วยเหตุพวกเนี้ยแมมการตายตรงเนี้ยนะถ้าเราไปเปรียบเทียบถนะ้ก็เช่นว่าทหารแต่ทนหะารเขาไปรบในสมรภูมิด้วยความห้าวหาญด้วยความเข้มแข็งแล้วเขาตายหรือว่าพระรูปใดรูปหนึ่งนะรักษาศีลของตนอย่างดีนะตั้งใจนั่งสมาธิปรากฏตายการตาย ด้วยการบรรลับเหตุคือคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ถ้ามาปเปรียบเทียบกับบุคคลที่ฆ่าตัวตายด้วยเหตุที่เป็นเรื่องของการเรื่องของกิเลสนะนัมนมันเทียบกันไม่ได้นะัคือการตายแบบหลังนั่นะคือตายด้วยคุณธรรมต่างๆนี่มันดีกว่าน่นะคือมารมาจะไม่ได้บอกว่าการตายไม่ดีนะการตายด้วยเหตุอะไรมันถึงจะดีหรือไม่ดีเราต้องมาดูแต่เพราะว่าถ้าเราตายด้วยยังมีการยึดถือในขันห้ายังมีการที่จะแบบต้องอย่างนี้ไม่อย่างนี้ไม่ได้ฉันจะตาย การตายแบบนั้นเนี่ยก็ชื่อว่าตายแล้วถูกตราหน้าด้วยสิ่งนั้นแล้วตายเข้าใจไหมพระพุทธจาใช้คํานี้นะสมมติว่าคุณปรารภเรื่องของเวทนานี้แล้วคุณยอมตายแล้วคุณก็ชื่อว่าถูกตราหน้าด้วยใช้เวทนานั้นตายและพรทธเจ้าใช้คำนี้นะเพราะนั้นคุณก็ยังไม่หลุดพ้นจากมันอนะ่ะเพราะอะไรเพราะคุณตายไปแล้วใช่ป่ะคุณยังยึดถือในสิ่งนั้นใช่ไหมถ้าคุณยังมีความยึดถืออยู่คุณต้องไปเกิดใหม่เกิด ใ, ใหม่แล้วคุณก็ต้องเจอสิ่งนั้นอีกไม่ว่าอยู่ในสภาวะใดที่ไปเกิดนั้น คุณก็ไม่หลุดพ้นจากมันไปได้ ค, คิดว่าตายแล้วจะพ้นจากตรงนั้นเช่นว่าคนเป็นโรคร้ายใช่ปะ่ะอะไรก็ว่าจะได้จบจบกันพ้นกันไปแล้วถ้าตายแล้วคุณจะมีเชื่อในการเกิดเหลืออยู่ไปเกิดอีกคุณก็ต้องมาเจอโรคร้ายอีกอาจจะเป็นโรคใหม่อาจจะเป็นโรคเดิมก็ไม่พ้นไปอยู่ดีหลังนะการตายตรงนั้นเนี่ยจึงไม่สมควรไม่สมควรตายก็จะมาคือคือตายแล้วก็ไม่ได้แก้ปัญหาพูดอย่างนั้นตายแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์นะคืออย่าตายเลยถ้าจะตายอย่างนั้นเนี่ยนะ <น>ไม่เกิดประโยชน์ค่ะไม่เกิดประโยชน์ทีนี้ยังไงทุกคนมันก็ต้องตายอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้ตายอย่างไรถึงจะเรียกว่าตายแบบดีตายแล้วเกิดประโยชน์แต่ก็ตายด้วยคุณธรรมที่มันดีๆแล้วจะต้องตายอยนะเช่นพระพุทธเจ้านั่งตอนเป็นโพธิสัตว์อยู่ใต้ต้นโพนะตั้งใจไว้เลยหนังเอ็นกระดูกจะเหลืออยู่เนื้อและเลือดจะเกิดแห้งไปก็ตามทีนะหนังเอ็นกระดูกให้มันมีเนื้อเลือดให้มันหายไปแล้วจะตายอ่นะตายอย่างเงี้ยมันถึงจะดี เพราะอะไรเพราะว่ารักษาคุณธรรมเอาไว้ในใจแต่ถ้าเราจะเปรียบเทียบกับทหารเขามีความซื่อสัตย์มีความากระตันยูมีความองอาจและเขาตายในสนามรบการตายตรงนี้มีแต่คนยกย่องถูกไหมค่ะพวกที่สร้างอนุสาวดีอะไรต่างๆเนี่ยก็แปลว่าเขายกย่องการตายแบบนี้เพราะว่ามีคุณธรรมอยู่แล้วจึงตายแล้วทีนี้นะไอ้ขั้นตอนตรงนี้นะ่ยคุณโยมที่อ่ถ้าเรามาพิจารณาดูารายละเอียดในลึกๆในใจเนี่ยสิ่งที่ทําให้คนค่าตัวตายเนี่ยมันจะ ก็อยู่ในกิเลสราคาโทสะโมหะโอเคนะกิเลสราคาโทสะโมหะเนี่ยมันจะมาบางังคับจิตแนะบังคับจิตคือมันเหมือนกับสนิมเหล็กนะเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะกำจัดสนิมนะเกิดกำจัดเหล็กนะสนิมเหล็กเกิดมาเพื่อที่ทําลายเหล็กถูกไหมเอ่อหรือว่าขุยภัยเกิดมาเพื่อก้าต้นภยัยสิ่งเนี้ยเกิดมาเพื่อทำร้ายตัวมันเองกิเลสนะเกิดมาเพื่อทำร้ายตัวเองเพราะฉะนั้นเวลากิเลสเนี่ยเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําลายจิต แต่มันก็จะมาเกาะจิตอยู่แต่เวลาที่มันมาเกาะจิตอยู่บางทีมันก็จับกายของเราเป็นตัวประกันทําให้เรายอมมันโอเคนะคือกิเลสเนี่ยนะมันจะแฝงตัวมาในจิตอยู่แล้วถูกไหมเวลามีผัสสะมากระทบปุ๊บมันฟูขึ้นมาเนี่ยพอมันฟูขึ้นมาเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วมันปลอมตัวมามันก็จะเหมือนเหมือนตัวเรามันก็จะมายึดกายของเราจะเป็นตัวประกันให้เรายอมในห้เรายอมยอมมันเนี่ยก็คือว่ายอมสีโรราไปตามอํานาจของมัน มันจะพาเราทำอะไรเราก็จะทำแต่ Nina, ถ้าเรายอมมันตามมันอย่าง okay. น nice. mm. hey, ok ั้นแต่เราก็เป็นพวกมันเราก็จะหลุดพ้นจากมันไม่ได้นการตายด้วยอํานาจของมันตรงนี้แต่ถือว่าไม่ดีถือว่ายังเป็นไปตามอํานาจของมันอยู่แต่ทีนี้พอเราตายไปก็ไม่พ้นจากมันได้แต่ทีนี้ถ้าบอกว่าเราไม่ยอมมันเพราะว่ากิเลสในเวลามันจะยึดมันก็จะยึดกายยึดจิตของเราถูกไหมให้มันไปเลยให้กายมันไปเลยให้ใจมันไปเลยแต่เราไม่ตามมัน เข้าใจไหมครับว่าให้กายของเราไปเลยแต่เราไม่ตามมันแต่ก็มาให้กายของเราไปเลยแต่แต่เราไม่ตามมันี่ก well, voilà> ็คือว่าเรายอมตายโดยการที่เราจะไม่ตามอํานาจของกิเลสค่ะในการที่เรายอมตายโดยที่ไม่ยอมตามอำนาจของกิเลสก็คือให้กายมันไปแต่มันเนี่ยจะอยู่ไม่ได้ถ้ามันไม่มีใจเราเกาะอไว้กิเลสนะมันจะอยู่ไม่ได้ถ้ามันไม่มีใจเราเกาะอไว้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ามันจะเอากายของเราไปโดยที่เอาใจของเราไปไม่ได้มันก็จะอยู่ไม่ได้มันก็จะตาย กิเลสก็จะตายเพราะกิเลสตายแล้วกายของเรามันก็เอาไปไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่เป็นโพธิสัตว์นั่งอยู่ในต้นโพยอมตายเพื่อที่จะสละกิเลสใช่ไหมแต่พอกิเลสตายแล้วกิเลสก็ไม่ได้เอาหนังเอ็นกระดูกเนื้อไปด้วยไม่ได้เอาไปด้วยเพราะว่ามันตายแล้วมันก็ทิ้งเอาไว้เราไม่ตายหรอกคุณโยมติ๋วเนื้อไปถ้าเราจะตั้งไว้ซึ่งคุณธรรมแล้วเราจะตายเนี่ยกิเลสมันต่างหากที่จะตายคําถามที่ท่านกราบเรียนถามทั้งที่มาเนี่ยเพื่ออยากจะให้สติ กับคนที่อาจจะมีความคิดค่าตัวตายซึ่งบังเอิญได้มาฟังรายการนี้อยู่ในขณะนี้ด้วยนะค ะ, ะถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยถ้าพูดชัดๆก็คือว่าให้รู้ไว้เถอวะว่าที่ฆ่าน่ะไม่ได้ทำให้ตายนะถูกไหมคะใช่ไม่ได้ไม่ได้แก้ปัญหาค่ะตายอย่างนี้ก็จะไม่สมเหตุสมผลแ ล, ออแล้วก็ไม่สมควรตายอะ่ะแต่แต่ว่าเจ้าตัวที่คิดจะตายก็อาจจะบอกว่า มืรู้แหะกิเลสกิเลสอะไรยอ่ะมันทุกทรมานมากมันรับไม่ได้กับสิ่งที่เป็นอยู่ณวันนี้ตายดีกว่าการการตายอย่างนั้นมันก็จะไม่ได้ทําให้ผลถูกด้วยเพราะว่าสิ่งที่คุณกําลังถูกรัดรึงถูกทําให้ทุกข์เนี่ยมันก็คือกิเลสแล้วถ้าเราตายไปด้วยอำนาจของกิเลสเราจะไม่พ้นจากกิเลสได้เพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงให้เราจะกําจัดเจ้ากิเลสเอาแต่ถ้าจะตายแล้วจะกําจัดกิเลสได้เออให้ตายซะก็เท่ากับว่าท่านกำลังจะบอกว่า มันไม่ได้เป็นการพ้นจากความทุกข์ที่กําลังที่คิดเพื่อตัวเองมีทุกข์ใช่แต่จะไปเจอทุกข์อีกข้างหน้าหรือยังไงคะก็เจอแน่นอนอาจจะในคือปัจจุบันนี้เจออยู่แล้วเนี่ยแล้วถ้าเราจะตายแล้วก็จะไม่พ้นจากมันต่อไปคุณก็ต้องเจออีกไนะเจอทั้งปัจจุบันด้วยเจอทั้งในเวลาต่อไปด้วยมันไม่คุ้มกันถ้าจะตายเนี่ยก็ตายแล้วให้มันมันหายไปด้วยนั่นมันจะดีเพราะฉะนั้นทํำยังไงอะให้ตายแล้วให้ เจ้ากิเลสที่ทําให้เราทุกข์อยู่เนี่ยมันหายไปด้วยให้มันตายไปด้วยดง <Okay. S 1> นั้นการตายเนี่ยตายด้วยศีลเลยตายด้วยสมาธิเลยตายด้วยปัญญาเลยเกเรนี้คือพระเนี่ยจะมีศีลอยู่ข้อหนึ่งอันนี้เสียงเหมือนกันนะคุณโยมติว <Okay. S 1> คือพระเนี่ยถ้าบอกว่าชักชวนเพื่ออันตายหรือว่าพัฒ น, นาคุณโดยความตายโดยหลายในยเนี่ยอันนี้จะเป็นปราชิกได้แต่ oh. ที่อนามาพูดถึงว่าตายเนี่ยคือให้รักษาคุณธรรมคือศีลสมาธิปัญญาเอาไว้แล้วด้วยชีวิตของเรา แล้วไอการที่เรามีศีลสมาธิปัญญาด้วยชีวิตของเรากิเลสมันจะตายพอกิเลสมันตายแล้วเราจะไม่ทุกข์พอเราไม่ทุกข์แล้วกายเราอาจจะยังอยู่เราไม่จำเป็นต้องฆ่าตัวตายแล้วแต่ให้ตายนะอย่างนั้นด้วยการมีศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นการตายนั้นก็เป็นการตายที่ห้าหาญองอาจและดีดีด้วยค่ะ อ, อันนี้จะมองในมุมว่าเข้าใจกระบวนการในเรื่องของความทุกข์ ที่ทําให้คนอยากฆ่าตัวตายท่านอธิบายว่าทั้งหมดนั้นล้วนเป็นกิเลสแล้วถ้าตายไปทั้งกิเลสกิเลสเป็นตัวที่ไม่ดีเนี่ยกิเลสมันตามไปได้อย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องมันยังยืดยาวอยู่แล้วไปเกิดที่ไหนมันก็จะตามเราไปอค่ะดิฉันเคยได้ยินว่าการฆ่าตัวตายตัวเราเองเนี่ยเราฆ่าตัวเราเองตายก็เป็นการฆ่าสัตว์ผิดศีลข้อที่หนึ่งจริงหรือไม่คะอ่านี่ก็มีส่วนแน่นอน เพราะว่าการเบียดเบีย น, นชีวิตแล้วก็ถ้าจะตายให้เรามีคุณธรรมดีกว่าตั้งคุณธรรมเอาไว้เรื่องการผิดศีลเนี่ยมันก็ทำให้เราไปตกนรกได้แน่นอนล่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่าให้สติ ก, กันนะคะแต่ทีนี้บางทีคนสมัยใหม่เขาจะอธิบายกันว่า เป็นโรค ค, รค่ะท่านคะเขาบอกว่าคนที่ค่าตัวตายในยบางทีเป็นโรคที่สารเคมีในร่างกายไม่สมดุลกันอืแล้วก็จากประสบการณ์ของบางครอบครัวที่ได้มีโอกาสไปสนทนาด้วยบอกว่าคุณหมอเนี่ยบอกว่าเป็นกันมากถึงบอกเดินมาเนี่ยสิบคนเนี่ยเป็นหนึ่งคนเดี๋ยฉันก็รู้สึกว่ามากจริงบอกบางทีจะดูไม่ออกนะคะเพราะว่าจะมีลักษณะเหมือนกับมีอารมณ์ รุนแรงก็เลยทําให้คิดว่าเป็นสภาวะของอารมณ์โรคหลายๆโรคในปัจจุบันเนี่ยคุณโยมติยวก็เป็นเพราะว่า อ, อจิตใจมันไม่สมดุลนะเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นในสังคมเ อ, อเพราะฉะนั้นพอพอเป็นอย่างนี้ทําให้หมอเขาก็ตั้งชื่อโรคใหม่ๆกันขึ้นมาเยอะแยะคอะย่างโรคนี้ก็เหมือนกันอะดรมาก็มีความเห็นว่าเป็นอย่างนี้นะค่ะทีนี้ว่าทำไมสารเคมีในร่างกายถึงไม่ไม่สมดุลทำให้ถึงปรับเปลี่ยนผิดเพี้ยนไป เพราะว่าจิตที่มันไม่สมดุลนั่นเองพอจิตมีความไม่สมดุลมีราคะโทสามะฮะกลุ่มรุมมากนะไม่สามารถรักษาจิตให้ดีอยู่ได้ทําให้การทํางานของส ม, มองการทํางานของร่างกายเนี่ยมันก็ผิดเพี้ยนไปตามจิตที่ผิดเพี้ยนไปทําให้สารเคมีรต่างๆไบโว่บโอเคมิคอลมันมันผิดเพี้ยนไปแล้วเขาไปแก้โดยการให้ยารต่างๆก็แก้ที่ปัจจัยแต่เพราะว่าถ้าจิตที่ยังขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่มันยังไม่ได้รับการแก้ไข ให้คุณสารเคมียังไงพอมันหมดฤทธิ์ยาเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะเพราะนั้นเดชิก็เลยคิดว่าสงสัยเราจะต้องแก้กันตั้งแต่เป็นตัวอ่อนเลยไหมคะคือพอคุณแม่เริ่มตั้งคันปุ๊บเนี่ยต้องให้รู้วิธีที่จะทำให้กิเลสมันเบาบางใช่เพื่อจะได้ทำให้ผลที่เกิดขึ้นมาในชีวิตน้อยๆนั้นเป็นชีวิตที่มีความสมดุล ครอบครัวก็มีความสําคัญอย่างดี่ว่าในกรณีนี้นะคะค่ะก็หวังว่าคงจะเกิดประโยชน์กับท่านผู้ฟังกันนะคะวันนี้เราก็คงจะใช้เวลากันมาพอควรแล้วะคะ่ะท่านคะออขออนุ ญ, ญาตที่จะกราบขอบพระคุณท่านพระมหาภบูบุญอภิบุญโนเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ น, นะคะวันนี้ในมรด ก, การะคะ่ะท่านผู้ฟังที่ครบคะ่ะและนี่ก็คือรายการสัมสนาสนทนานะคะที่อยากจะให้ เรานะ่าดำเนินชีวิตประจำวันนี่แหละแต่ว่าได้ใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ใช้ชีวิตปกติแต่ได้ความก้าวหน้าในทางด้านธรรมด้วยด้วยคำสอนของพระาศาสดาที่ถูกนำออกมาให้เข้าใจง่ายๆโดยพระมหาภัยบุญอภิปุณโญจังวัดปาดอนไฮโซจังหวัดอุดรธานีมีดิชันสนสิงนาภงเป็นผู้ร่วมสนทนานาความรู้เหล่านี้มาให้ท่านฟังทั้งหลายนะคะทางสถานีวิทยุ ครอบกลัวข่าวสทอเอรค่ะติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้พุทธวสตรีค่ะ